ฮาริคริชนาฮาริคริชนาเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาฮินดูซึ่งหุ่มสาวชาต่างประเทศหันมานับถือในยุคฮิปปี้มีการร้องคำบริกรรมและการเรียรัยในที่สาธารณะเป็นที่รังเกียจของชาวบ้าน ในเรื่องที่แล้วอัตราตัวตนของคุณหมอทำให้เขาประเมินเสียงร้องเตือนของชาวนาผู้ใจดีผิดไปอย่างแรงในเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้อัตราตัวตนในความเป็นพระของอาตมาก็ส่งผลให้อาตมาประเมินคนใจดีผิดไปอย่างแรงด้วยทำให้รู้สึกเศร้าใจ อาตมากำลังจะกลับจากการไปเยี่ยมโยมแม่ของอาตมาที่กรุงลอนดอนโยมแม่กำลังเดินไปส่งเพื่อจะไปช่วยซื้อตั๋วรถไฟให้อาตมาที่สถานีรถไฟอ e ิล i ิ g บ r อ a เ w a y ระหว่างทางไปสถานีบนถนนอ e ิล h ิ g h ฮ t ตร e ทที่พลุกพล่านกวักไขวอาตมาได้ยินใครบางคน ส่งเสียงเยอะอยันว่าฮาริคริชนาฮาริคริชนการเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่ต้องโกนศีรษะและนุ่งจีวรสีกรักนั้นอาตมามักโดนคนเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่าเป็นพวกฮาริคริชนาตอนอยู่ออสเตรเลีย อาตมาเคยโดนกลุ่มวัยรุ่นล้อเลียนด้วยการร้องฮาริคริ h n a เฮฮาลิคริ h n a และหัวเราะเยาะการแต่งตัวของอาตมาฉะนั้นในครั้งนี้อาตมาจึงรีบมองหาชายคนที่ตะโกนว่าฮาริคริ h n a และตัดสินใจที่จะเข้าไปจัดการคนที่มาล้อเลียนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาในที่สาธารณะเช่นนี้ โยมแม่ยืนอยู่ข้างหลังเมื่ออาตมาเข้าไปพูดกับชายหนุ่มซึ่งสวมกางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตและใส่หมวกแก็บนี่พระหนุ่มอาตมาเป็นพระในพุทธศาสนานะไม่ใช่สาวกฮาริคริชนาะคุณน่าจะรู้ดีกว่านี้นะ ไม่ใช่มาตโกนฮาริคริชณาใส่อัตมาอย่างนี้พ่อหนุ่มคนนั้นยิ้มแล้วก็เปิดหมวกแก๊ปของเขาเผยให้เห็นหางม้ายาวๆที่ด้านหลังของศีรษะที่โล้เตียนครับผมรู้ครับเขาตอบท่านเป็นพระในพุทธศาสนาส่วนผมก็เป็นฮาริคริชนาฮาริคริ n a h ฮาริคริ h ณา เขาไม่ได้ล้อเลียนอาตมาสักหน่อยเขาเพียงแค่ทากิจของฮาริคิสนาเท่านั้นอาตมาหน้าแตกจับยืนทำไมเรื่องพันนี้จำเพาะเจาะจงจะต้องมาเกิดต่อหน้าแม่ของเรานะ